การปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญจิตตะภาวนาการเดินจงกรมนั่งสมาธิการรักษาศีลการเจริญสติสมาธิและปัญญานี้เป็นการสร้างที่พึ่งอันใหม่มาทดแทนที่พึ่งอันเก่าที่เรามีอยู่เพราะว่าที่พึ่งอันเก่าของเรานี้ มันเป็นที่พึ่งชั่วคราวไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปที่พึ่งอันนี้ก็คือร่างกายของพวกเราที่เราใช้เป็นสาระเป็นที่พึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาให้กับเราแต่สิ่งต่างๆที่เราหามานี้รวมทั้งร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปเป็นธรรมดา เวลาได้มาก็มีความสุขเวลาสูญเสียไปก็มีความทุกข์นี่คือสารณะที่พึ่งที่พวกเรามีกันมาทุกภพทุกชาติเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกที่พึ่งที่ถาวรให้แก่พวกเรานั่นเองพวกเราก็เลยคิดว่าการมีร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนี้ เป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขกันเพราะเราจะได้หาราบยศสร ะ, ะเสริญหารูปเสียงกลธธิ่นรสผลทพัชต่างๆมาเสพมาสัมผัสกันแต่เรามักจะมองอาภาพรวมไม่เจอไม่มองภาพรวมเราเพียงมองด้านเดียวด้านของความสุขที่เราพึงจะได้แต่เราไม่ยอมมองด้านของความทุก ที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เครื่องไม้เครื่องมือของเราเช่นร่างกายของเราเนี่เสื่อมลงไปหรือดับไปและสิ่งต่างๆที่เราหามาได้เช่นลาบยศสารเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสโปธตพาก็ล้วนเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดา เราเลยต้องหามาอยู่เรื่อยๆหาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอสิ่งต่างๆที่เราหาได้นี้มันให้ความสุขชัวข่วทคราวแล้วมันก็สร้างความหิวความอยากใหม่ขึ้นมาให้เราอยากได้ใหม่อยากได้เสพอยากได้สัมผัสใหม่นี่คือที่พึ่งที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้ ที่พึ่งชั่วคราวที่พึ่งที่ไม่ถาวรชาตินี้พวกเราโชคดีได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สรงคนพบที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่งที่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดที่พึ่งที่จะให้ความอิ่มความพอแก่เราไปตลอดนี่คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรามารักษาศีลกันมาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันเพื่อเจริญสติเพื่อจเจริญ ส, สมาธิและเพื่อจเจริญปัญญาเพื่อจะได้สร้างที่พึ่งที่ถาวรให้กับพวกเราที่พึ่งที่ถาวรนี้ก็คือใจของพวกเรานี่เอง ใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายแต่ตอนนี้ใจของพวกเรายัางไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับพวกเราได้เพราะขาดธรรมะที่จะทำให้ใจเป็นที่พึ่งเราจึงต้องมาสร้างธรรมะกันสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างสติ สร้างปัญญาโดยการปรีกวิเวกโดยการบำเพ็ญอยู่ตามลำพังไม่คุกคลีกันด้วยการสำนวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ส่งใจออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆนี่คือวิธีสร้างที่พึ่งสร้างใจให้เป็นที่พึ่งของเรา สร้างใจให้มีความสงบถ้าใจมีความสงบแล้วใจจะให้ความสุขแก่พวกเราเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่เราได้รับจากความสุขที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเช่นราบยศสรรเสริญโรคเสียงกิดลดโพธทะพชนิดต่างๆ ความสุขเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบของใจไม่ได้เพราะไม่ให้ความอิ่มไม่ให้ความพอกลับให้ความหิวความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความสงบของใจนี่จะให้ความอิ่มให้ความพอจะไม่มีความหิวไม่มีความอยากอยู่เฉยๆก็เป็นสุข ไม่มีอะไรก็เป็นสุขไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเราตอนนี้หากันต้องมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรส ถ, ถึงจะมีความสุขได้ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้เสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ต, ต้องมีราบยศสรรเสริญมาให้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนสาคัญ เราเป็นคนที่ผู้อื่นเขายกย่องนับถือการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่นก็เป็นความสุขอย่างหนึง่งแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะมันอยู่ภายใต้กฎอนิจจังอนิจจังก็คือความไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวาไม่ใช่นิจจังถ้านิจจังนี้แสดงว่า ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมไม่ดับอันนี้จังแปลว่าต้องเสื่อมต้องดับต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่ให้ความสุขกับเราแล้วเปลี่ยนแปลงไปดับไปความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็จะหมดไปสิ่งที่จะมาทดแทนก็คือความทุกข์ใจท่านจึงบอกว่าอันนี้จังทุกขขังแล้วก็อนัตตา อนัตตาก็คือเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่สามารถสั่งให้เขาไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ให้เสื่อมเขาต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมไปมีการหมดไปเป็นธรรมดาเพราะอันนี้เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ที่เราหาแสวงหาให้ความสุขกับเราไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพานี้ท่านบอกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพ์ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนี่คือความทุกข์ ที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะเราขาดปัญญาเราถูกความหลงปิดบังไม่ให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความหลงนี้จะหลอกให้เราเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเราเห็นอะไรเราก็อยากได้เพราะเราคิดว่าได้มาแล้วก็จะอยู่กับเราไปเรื่อย ให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆ เ, เป็นของเราไปเรื่อยๆ อ, อันนี้เป็นผลงานของโมหะอาวิชชาที่หลอกล่อใจให้หลงติดอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้แหละที่มีปัญญาที่แสนฉลาดที่สามารถมองทะลุ เมฆหรือหมอกของโมหะอวิชชาได้ทำให้พระองค์สามารถเห็นความจริงของสิ่งต่างๆได้เห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปอาศัยเขาให้ความสุข <c oughs> ก็จะต้องพบกับความทุกข์เพราะว่าเขาจะต้องเสื่อมไปหมดไปวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว หรือไม่ใช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเพราะร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันร่างกายของเราเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดนี่คือที่พึ่งที่พวกเรามีกันอยู่ที่พึ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขแต่กลายเป็นที่พึ่งที่ให้ความทุกข์กับเรา พวกเราทุกวันนี้ที่ทุกกันก็ทุกกับเรื่องอะไรถ้าไม่ทุกกับเรื่องของลาบยศสรรเสริญไม่ทุกกับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสพทธพไม่ทุกกับร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นเราก็ทุกอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้เพราะเราไปหลงคิดว่าเขาให้ความสุขกับเราเราจึงไปยึดไปติดเขาพอเขา เปลี่ยนไปพอเขาสูญไปดับไปความสุขที่ได้จากเขาก็จะหายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงส่งพยายามคนา้นคว้าหาความสุขแบบใหม่ก็ในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าความสงบที่เกิดขึ้นในใจนี้แหละ เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะเป็นนิจจังสุขขังอัตตาจริงๆเป็นนิจจังเพราะว่าไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไม่มีวันเปลี่ยนไปถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้วมันจะอยู่คู่กับเจ้าใจของเราไปตลอดเมื่อมันไม่เสื่อมมันก็จะไม่ให้ความทุกข์กับเรา มันจะให้แต่ความสุขกับเราตลอดและมันเป็นของเราตลอดเป็นอัตตาของเรานิจจังสุขขังอัตตาคือใจที่มีความสงบนี้เองและใจที่จะสงบได้นี้ก็ต้องอาศัยธรรมะมากําจัดสิ่งที่สร้างความไม่สงบให้กับใจ สิ่งที่สร้างความไม่สงบให้กับใจก็คือกิเลสตัณหานี่อโอภความโลภความโกรธความหลงกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่เป็นสิ่งที่ทำให้ใจของพวกเราไม่สงบกันไม่มีความสุขกันแล้วก็ทำให้พวกเราต้องไปหา ความสุขชั่วคราวกันเพราะความหลงจะหลอกให้โลภอยากได้าดลาภยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขเพราะไปคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาตอนนี้เรามีคนสอนเราเรามีคนที่ได้ปฏิบัติมาได้กำจัดควา ม, ลวามโลภความโกรธความหลง ได้กำจัดตัณหาทั้งหลายให้หมดไปจากใจแล้ว mm. เหลืออยู่แต่ใจที่สงบที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่เป็นบรมบสุขนี่คือใจของพระพุทธเจ้าในวันที่ทรงตัดสรุในวันเพ็ญเดือนหกวันนั้นใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่ได้โค้นล้มอวิชชาโมหะ ตัวที่หลอกให้เกิดความโลภเกิดความอยากต่างๆพระองค์ได้ทรงกำจัดด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาด้วยการบำเพ็ญศีลสติสมาธิและปัญญาจนพระทัยของพระองค์นี้สงบนิ่งตลอดเวลาให้ความสุขแก่ใจตลอดเวลาให้ความสุขกับผู้ปฏิบัติให้ความสุขกับพระองค์ตลอดเวลา เรียกว่าปรมังสุขขังบัลมะสุขคำนี้จะไม่มีในสิ่งต่างๆที่เราหากันในโลกนี้ไม่มีใครพูดว่าได้ลาบยศจันละเิญได้รูปเสียงกลิ่นลดแล้วเป็นบรมปมะสุขกันได้อะไรมาแล้วไม่ทันไม่ทันข้ามวันความทุกข์ก็ตามมาแล้วถ้ามันเป็นของชั่วคราวของหายไปประเดียวเดียว เป็นเมื่อคืนนี้เราไปงานเลี้ยงกันก็มีความสุขกันพอเช้านี้ตื่นขึ้นมามันหายเป็นหมดแล้วเหลือแต่ความอยากที่จะไปงานเลี้ยงใหม่กมันจึงไม่เป็นบรมประสุคหรือว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตอนที่ถูกก็ดีใจแต่พอมีสติสตังมาคิดดูก็เริ่มมีความวิตกกังวลว่า จะดูแลรักษาเงินทองนี้ไว้ได้อย่างไรจะป้องกันไม่ให้คนนั่นคนนี้มาแย่งมาขโมยมาขอไปได้อย่างไรเพราะเดี๋ยวก็จะต้องมีคนมาขอกันถ้าไม่ให้ก็เสียเพื่อนเสียมิตรไปอีกนี่คือเรียกว่าทุกขลาภสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นทุกขลาภทั้งนั้น ให้ความสุขมาแต่ก็มีความทุกข์ติดมาด้วยเพราะว่าถ้าเราได้อะไรที่เราชอบเรารักเราก็จะหวงหวงก็ทุกข์แบบหนึ่งห่วงก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งเวลาสูญเสียไปก็เสียอกเสียใจก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งนี่คือความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความหลงโมหะอวิชชา ที่หลอกให้เราเกิดความโลภในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสพัพธะในตัณหาทั้งสามคือการว่ตัณหาความอยากเสกการคุคคห้าคืออยากความอยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะเพราะว่าตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีหน้ามีตา อยากให้คนเขารลบนับถือเรียกว่าภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาก็เป็นความอยากในตรงกันข้ามอยากไม่ให้คนเขาด่าเราอยากไม่ให้คนเขาดูถูกดูแคลนเราอยากไม่จนอยากไม่ตกต่าอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อันนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาเวลาเกิดตัณหาเหล่านี้ขึ้นมาภายในใจมันจะไปทำลายความสงบมันจะทำให้ใจวุ่นขึ้นมาใจกระตือรือล้นกังวนกวายกระสับกระใสกระเสือกกระสนเพื่อที่จะหาสิ่งที่อยากได้มาพอได้มาแล้วก็ดีใจเดียวเดียว แล้วก็เกิดความทุกข์ที่เกิดจากความหวงเกิดจากความห่วงเกิดจากการเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปพระพุทธเจ้าจึงทรงบำเพ็ญศีลสติสมาธิและปัญญาเพื่อที่จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการ ทำลายความโลภความโกรธความหลงทำลายความอยากต่างๆทำลายโมหะอาวิชชาต้องอาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือต้องรักษาศีลสําหรับผู้ที่ต้องการจะบําเพ็ญห่างใจให้สงบนี้ต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปศีลห้านี้มีกําลังไม่มากพอพอที่จะ สร้างความสุขได้บ้างสร้างความสงบได้บ้างแต่เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าอยากจะได้ความสุขที่ต่อเนื่องที่เต็มสมบูรณ์นี้จะต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปเพราะศีลแปดนี้จะเป็นรั้วกัน้นไม่ให้ความโลภความอยากต่างๆมันออกมาสร้าง ความวุ่นวายให้แก่ใจแล้วก็จะเอาเวลาของการที่จะมาทําใจให้สงบนี้ไปสร้างความวุ่นวายให้กับใจด้วยการเสพกรรมคุณนทั้งห้าการถือศีลแปดนี้เป็นการเบรกการหาความสุขทางการมคุณนทั้งห้า กการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเช่นศี่ข้อสามก็ไม่ให้เสพการไม่ให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนหรือกับใครทั้งนั้นคือจะยุติการหาความสุขในรูปแบบนี้ที่ต้องใช้ร่างกายใช้ตาหูจมูกนิ้งกายใช้รูปเสียงกลิ่นรส ของบุคคลที่เรารักเราชอบอันนี้ศีลแปก็จะช่วยตัดกิจกรรมอันนี้ไปจะทำให้เรามีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อทำให้ใจสงบแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อกาจัดโมหะอวิชชาที่หลอกให้เราไปมีความโลภความอยาก กับสิ่งต่างๆในโลกนี้อันนี้ต้องเจริญศิ้นแปดกันสิ้นแปดนี้ก็เท่ากับว่าจะต้องไปปริกวิเวกเพราะการจะรักษาศิ้นแปดได้อย่างสบายนี้ต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆที่จะมาสร้างความสะเทือนใจ สร้างความไม่สงบให้กับใจผู้บำเพ็ญศีลแปดนี้จึงต้องปีกวิเวกแล้วก็ไม่คลุกคลีกันเพราะการคลุกคลีกันก็จะมีการปฏิมีการปฏิบัติมีการตอบโต้กันดีบ้างไม่ดีบ้างก็อาจจะเกิดอารมณ์วุ่นวายใจขึ้นมาได้ ถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่มีปัญหากับใครปีกวิเวกแล้วก็อย่าไปยุ่งกับใครเพราะว่าสถานที่เราปีกไวิเวกเช่นวัดวาอารามก็มีคนอื่นเข้ามาปีกวิเวกด้วยเราก็ไม่ต้องไปคุกขี่กับเขาถ้ามีความจำเป็นจะท้องมาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นมารับประทานอาหารมาช่วยกันทำงาน ทำความสะอาดกุติศ า, าลาโรงครัวหรืออะไรก็ทำด้วยการมีสติใจจดจอ่ออยู่กับงานของตนไม่ส่งใจไปหาคนนั่นคนนี้ไปคุยกับคนนั่นคนนี้ให้เจริญสติอยู่กับการงานที่เรากำลังทำอยู่พอเสร็จภาเ ร, ารเกิจการงานแล้วก็แยกกันกลับไปที่พักของตนไปเข้าทางจงกรม เดินจงกรมเพื่อกำจัดความง่วงเหงาเหานอนเพอาะช่วงระยะที่เสิด จ, จากการรับประทานอาหารใหม่ๆนี้ถ้านั่งแล้วมันจะง่วงมันจะหลับจะไม่เกิดประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วผู้ปฏิบัติมักจะเดินจงกรมกันเพื่อกำจัดความง่วงนอนพอมีความรู้สึกตื่นไม่ง่วงนอนแล้ว แล้ว เ, เดินมามากจนเมื่อยแล้วก็มานั่งสมาธิกันนั่งสมาธิไปจนเจ็ดรวมเข้าสู่ความสงบเต็มที่เข้าสู่เอกขัตตอารมเข้าสู่อุเบกข า, ข า, ข า, ขาอันนี้เรียกว่าสมาธิอัปปนาสมาธิถ้าตั้งอยู่ได้นานทันนิกาสมาธิถ้าตั้งอยู่ได้เดียวเดียว ถ้าเป็นคานิกะก็ต้องพยายามทำให้มันเป็นอัปปนาด้ยการเจริญสติต่อออกจากสมาธิมาก็เจริญสติต่อควบคุมความคิดต่ออย่าให้คิดให้มีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุโทโธพุโทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือถ้าเดินจงกรมก็ดูที่ การก้าวเท้าของร่างกายซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้แต่ปัญญาในขั้นนี้ก็ไม่ควรคิดเพราะการคิดแล้วมันจะทําให้ใจไม่ตั้งมัน่นไม่เป็นหนึ่งยกเว้นมีเหตุมีความทุกข์มารุมแล้วทำให้ใจฟุ้งซ่านแล้วถ้าใช้ปัญญามาพิจารณา ดับความฟุ้งซ่านนั้นได้ก็ใช้ได้อันนี้เป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าไม่มีความฟุ้งซ่านก็อย่าไปคิดอะไรแม้แต่ปัญญาก็อย่าไปคิดให้อยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวเพื่อจิตจะได้เป็นหนึ่งเป็นเอกคัตตารมเวลานั่งสมาธิจิตจะได้รวมได้รวมเป็นหนึ่งได้ ขั้นสมาธินี้เราต้องหมั่นพยายามฝึกให้มันชำนาญให้อยู่ในสมาธิได้วันละหลายหลายรอบและเวลาออกจากสมาธิมาก็เย็นสบายสงบพอไม่เย็นไม่สบายไม่สงบก็กลับเข้าไปใหม่ทำอย่างนี้จนเกิดความชำนาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการจะเข้า ถ้าเรามีความชำนาญในการเจริญสมาธิแล้วทีนี้เราก็ควรจะออกไปทางด้านปัญญาได้แล้วถ้าไม่ออกไปทางปัญญาก็จะเรียกว่าติดสมาธิแต่ในเบื้องต้นนี้สมาธิยังไม่ชนานาญนี้ยังไม่ถือว่าติดสมาธิต้องฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนให้ได้เต็มที่เต็มร้อยก่อน ถ้าได้เต็มที่เต็มร้อยแล้วไม่ออกไปทางปัญญาถึงจะเรียกว่าติดสมาธิแต่ถ้าสมาธิยังได้ไม่เต็มร้อยก็ยังไม่ถือว่าติดสมาธิเพราะว่ายัางทําหน้าที่สร้างสมาธิให้สมบูรณ์ขึ้นมาก่อนพอได้สมาธิสมบูรณ์แล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องพิ จ, จารณาอสภาวะธรรมทั้งหลาย ที่เรายังยึดยังติดยังหลงยังชอบยังรักยังห่วงอยู่ถ้าเป็นบุคคลก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเกิดถ้ามีการอารมณ์กับบุคคลนั้นก็ให้พิจารณาอสุภะความไม่สวยง่ายงามของส่วนของของร่างกายของเขาร่างกายของเขานี้มีทั้งส่วนที่น่าดูและไม่น่าดู เรามักจะเห็นแต่ส่วนที่น่าดูยังทำให้เราเกิดกา ร, รอารมณ์เกิดความใคร่ขึ้นมาเกิดความกำหนัดอยากจะเสพกามกับเขาแต่ถ้าเรามองเข้าไปภายใต้ผิวหนังมองอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังมองเห็นกรงกระดูกของเขาเห็นกระโหลกศีรษะ ที่อยู่ภาใต้หน้าตาของเขาถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะทำลายการอารมณ์ความกำหนัดยินดีได้อันนี้ถ้าเรายังไม่มียังมองไม่เห็นเราก็ต้องพยายามเจริญบ่อยๆเจริญมากๆจนมันติดตาติดใจลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็น เวลาที่ไปมอง ร, รูปร่างหน้าตาที่สวยงามแล้วเกิดการอารมณ์จะได้ใช้ภาพที่เราจเจริญคือภาพที่ไม่สวยไม่งามนี้เมาช่วยดับการอารมณ์ได้ <c oughs> นอกจากจะดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายแล้วก็ดูการแปลสภาพของร่างกาย เช่นเวลาแก่เป็นอย่างไรเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรเวลาตายไปเป็นอย่างไรดูให้มันเกิดภาพที่จะฝังใจให้เราเห็นร่างกายให้ครบทุกสั์ทุกส่วนไม่ใช่จะเห็นแต่ภาพในปัจจุบันที่น่าดูนี้เท่านั้นต้องดูทั้งภาพที่ไม่น่าดู ไม่ว่าจะอยู่ภายในของร่างกายหรือแวนล่าร่างกายนี้แก่เจ็บตายไปอันนี้เป็นปัญญาเป็นการเจริญปัญญาถ้าเรายังมีความใคร่มีความกำหนัดยินดีอยู่กับการที่จะเสพกามกับผู้อื่นเราต้องพิจารณาความไม่สวยไม่งามคืออสุภะของร่างกายของ บุคคลที่เราต้องการจะเสกขามด้วยถ้าเราติดอยู่กับสิ่งภายนอกเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังกันตาถ้าเราติดอยู่กับร่างกายของเราหรือของผู้อื่นเราก็ต้องพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายว่าไม่ช้าก็เร็ว ร่างกายของคนเราทุกคนก็จะต้องตายกันไปหมด เ, เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปยึดไปติดไม่ไปทุกข์กับเขาเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปถ้าเราติดอยู่กับความสุขเวทนาไม่ต้องการทุกขเวทนาเราก็ต้องพิจารณาว่าเวทนานี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้แต่ใจของเราถ้ามีปัญญาถ้าเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะปล่อยวางเขาได้จะไม่ยึดไม่ติดสุขเขเวทนาก็ไม่ยึดไม่ติดทุกข์เขาเวทนาก็ไม่ยึดไม่ติด ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็ไม่ยึดไม่ติดเพียงแต่รับทราบรับรู้เวลาที่เขาปรากฏขึ้นมาเวลายึดติดนี่เป็นอย่างไรเวลาได้สัมผัสกับสุขเวทนาก็ดีใจพอใจยินดีอันนี้เรียกว่ายึดติดเวลาสัมผัสกับทุกขเวทนาแล้วไม่ยินดีไม่พอใจอันนี้ก็เรียกว่ายึดติดไม่ปล่อยวาง ถ้าปล่อยวางแล้วต้องใจต้องเป็นกลารเฉยๆไม่มีความยินดียินร้ายต่อเวทนาทั้งสามไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนาใจจะต้องสักแต่ว่ารู้ใจจะสักแต่ว่ารู้ได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นตัวคอยรักษาใจ ให้เป็นอุเบกขาให้ปล่อยวางการจะเจริญปัญญาได้ จ, งจึงต้องมีสมาธิเป็นเครื่องเสมอสนับสนุนก่อนถึงเน้นเสมอเรื่องของการเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิและต้องเป็นสนมาทิที่สมบูรณ์ที่เราสามารถที่จะเข้าออกได้ทุกเวลาที่เราต้องการ บางเวลาถ้าเราพิจารณาทางปัญญาไปบางครั้งเราอาจจะพิจารณาเกินเลยเถิดไปแทนที่จะทําใจให้สงบกลับทําให้ใจฟุ้งขึ้นมาได้ถ้าเรารู้ว่าใจฟุ้งแล้วเราก็กลับมาหยุดความฟุ้งด้วยการกลับเข้าไปในสมาธิก่อนถ้าเราชานาญในการเข้าออกสมาธิเราก็จะดับความฟุ้งได้อย่างง่ายดาย ถ้าเราไม่ชำนาญบางทีเราดับไม่ได้ความฟุ้งนี้ก็จะฟุ้งไปยาวกว่าจะดับมาได้ก็อาจจะเป็นวันอันนี้คุณของการมีสมาธิเพื่อที่จะเอามาใช้ในการเจริญปัญญาต่อไปการเจริญปัญญาก็เพื่อให้เห็นภาพความจริงของสิ่งต่างๆ ว่าเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาเป็นอสุภะถ้าเป็นร่างกายของคนที่เราลากเราชอบเป็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาถ้าเราชอบรับประทานอาหารก็ต้องมองภาพของอาหารที่สกปรกที่ไม่น่าดูเช่นอาหารที่อาเจียนออกมาอาหารที่ถ่ายออกมาจากทวารหนัก เหล่านี้ก็เป็นอาหารแต่เราเปลี่ยนชื่อเขาแล้วเราไม่เรียกเขาว่าเป็นอาหารแล้วเราจะเรียกเข า, าเป็นอาหารตอนที่อยู่ในจานเท่านั้นเองแต่พอเขาเข้าไปอยู่ในปากในท้องเราเนี่ยเราเรียกเป็นอาเจียนไปแล้วเวลาออกมาเวลาออกมาจากทวารหนักเราก็เรียกเป็นอุจจาระไปแล้วทั้งๆ ท, ที่มันก็เป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอันนี้ถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหาร ชอบรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อร่างกายแต่รับประทานอาหารตามความอยากก็ต้องเจริญอาหารเลยปฏิกู ล, ลสัญญาคือให้เห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารอย่าไปมองภาพของอาหารที่อยู่ในจานเพราะมันน่าดูน่ารับประทานนั่นเอง ต้องไปดูอาหารที่ถ่ายออกมามันไม่น่าดูไม่น่ารับประทานแล้วพยายามนึกถึงภาพของอาหารนั้นเวลาเกิดความอยากที่จะรับประทานอาหารตามความอยากแต่ถ้ารับประทานอาหารตามหน้าที่ตามเว ล, เวลารับประทานเหมือนการรับประทานยาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญานอกจากว่าจะรับประทานมากเกินไป มากต่อความต้องการของร่างกายถ้ารับถ้ามีความอยากรับประทานเข้ามาแทรกเมื่อไร่ก็ต้องพิจารณาหาเลยปฏิกูลสัญญาเพื่อที่จะได้ดับมันหยุดมันแล้วจนรับประทานพอประมาณการรับประทานอาหารมากก็มีโทษหลายอย่างทําให้ง่วงเหงาเข้านอนทําให้เกียจคร้านทําให้ร่างกายนี้มีน้ําหนักเกินทําให้มีโรคภัย ไข้เจ็บต่างๆเบียดเบียนถ้ารับทานอาหารพอประมาณนี่จะไม่มีปัญหาเหล่านี้ตามมานี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องใช้มาในการที่จะทำให้ใจเราปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เรายัางเรายัางยึดติดอยู่เรายัางยึดติดกับสามีกับภรรยากับบุตรกับทิดา เราก็ต้องพิจารณาว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันไปเกิดแก่เจ็บตายกันด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะมาอยู่ด้วยกันไปตลอดถ้าเราเห็นความตายของเขาและของเราอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะไม่ค่อยมีปัญหากับเขาหรือกับเรากับร่างกายของเราใจของเราจะยอมจะเย็นจะหยุดจะเห็นความ ในสาระในการมีเรื่องมีราวกันในเรื่องการทะเลาะเบาแว้กกันในเรื่องของการมีอารมณ์ใส่กันมีไปทำไมเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้วนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้นึกถึงความตายของกันและกันนั่นเองคิดว่าจะอยู่กันไปเรื่อยๆก็เลยเกิดตัญหาความอยากที่จะทำอะไรตามอารมณ์ของเรา เขาก็อยากจะทํอะไรตามอารมณ์ของเขาพอมาเจอเราเราไม่พอใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาพอขามาเจออารมณ์ของเราเขาไม่พอใจเขาก็ทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะอยู่กันด้วยความสงบอยู่กันอย่างมีความสุขก็อยู่กันอย่างมีความทุกข์ทั้งๆที่มีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันแต่ไม่รู้จักวิธีอยู่กันแบบ รักและปราทนีปราถนาดีอยู่กันอย่างมีความสุขถ้ามองเห็นความตายของกันและกันแลน้วนี่จะอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะจะไม่เรียกร้องอะไรมากจากใครจากเขาหรือจากเราเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันไปแล้วเขาจะเป็นอย่างไรก็ให้เขาเป็นไปเดี๋ยวเขาก็ต้องตายแล้วเราก็เหมือนกัน เราเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วเราจะไปเอาอะไรกันนักหนากับคนนั่นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือประโยชน์ของการเจริญปัญญา อ, นนน อ, อนานิจจังนี่อัตมรนุสติก็คือการพิจารณาอา น, นิจจงพิจารณาว่าร่างกายของคนเราทุกคนนี่ต้องแก่เจ็บตายกันไปหมดมาทะเลาะกันทำไมมาโกรธมาเกลียดกันทำไม มาวุ่นวายกันทำไมได้อะไรได้แต่ความตายซื่ออยู่กันแบบสบายสบายไม่ดีกว่าใครอยากจะทำอะไรก็ปล่อยก็ททำไปถ้าห้ามไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าห้ามได้เตือนได้ก็ห้ามกันไปเตือนกันไปตามจะไม่ทะเลาะวิวาดกันถ้าห้ามแล้วไม่พอใจก็จะหยุดจะไม่ห้ามต่อไป นี่อา น, นิสงของการเห็นความตายเห็นอ น, นิจจังของร่างกายมันจะทําให้เกิดความเมตตาสงสารเขาว่าเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วจะไปอะไรกับเขามากนักทาไมเราก็เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราจะไปเอาอะไรกับใครเราได้อะไรไปมากเวลาที่เราตายไปแล้วจะไปโลภอยากได้อะไรอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไม เราได้อะไรจากการอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ได้ความตายเท่าเดิมและได้ความทุกข์ความเครียดเวลาที่เขาไม่ทําตามความอยากของเรานี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาเราต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายังมีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องอยู่เราต้องปล่อยวางให้ได้ต้องทำใจให้เป็นอเอเบคขา ปล่อยวางให้มองถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะปล่อยวางได้ถ้าเห็นว่าเป็นอสุภะเราก็จะดับการมารมได้ถ้าเห็นอาหาเลปฏิกูลสัญญาเราก็จะหยุดความอยากการรับประทานอาหารได้ถ้าเราหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ใจของเราก็จะมีแต่อุเบกขา มีแต่ความสงบมีแต่สักแต่ว่ารู้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือผลที่จะเกิดจากการมาบําเพ็ญจิตตะภาวนามาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลมาเจริญสติสมาธิและปัญญาเพื่อสร้างที่พึ่งอันใหม่ที่ถาวรคือใจของเราใจของเรา จะเป็นที่พึ่งของเราได้ต้องเป็นใจที่สงบเท่านั้นถ้าใจยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีตัณหาความอยากอยู่ใาญ่ยังเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้แต่เป็นที่ให้ความทุกข์กับเราทุกวันนี้ที่เราทุกนี้ทุกเพราะใจของเราเองทุกเพราะความโลภความโกรธความหลงทุกเพราะความอยากในกามทุกเพราะความอยากมีอยากเป็น ทุกข์เพราะความอยากไม่มีอยากไม่เป็นไม่มีอะไรทําให้เราทุกข์นอกจากใจนอกจากกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเหล่านี้สิ่งต่างๆภายนอกใจนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอนิจจังจะเป็นอนัตตาแต่เขาจะไม่เป็นทุกข์กับเราถ้าใจของเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีตัณหาความอยากการจะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีตัณหาความอยากต่างๆ ก็ต้องเกิดจากการมีธรรมที่จะมาทําให้ใจสงบการปฏิบัติธรรมการบําเพ็ญจิตตภาวนาการรักษาศีลการเจริญสติสมาธิปัญญาการเดินจงกรมการนั่งสมาธิอันนี้เป็นกระบวนการของการสร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจเพื่อจะได้ทําใจให้สงบเพื่อจะได้กําจัด ความโลภความโกรธความหลงกำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปพอมันหมดไปแล้วจะหาความทุกข์ไม่เจอมองไปทางไหนในใจนี้หาความทุกข์ไม่เจอเพราะว่าไม่มีตัวสร้างความทุกข์ให้นั่นเองนี่คือเป้าหมายของการบําเพ็ญเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อสร้างที่พึ่งอันใหม่ ที่ดีกว่าที่พึ่งอันเก่าเพราะว่าที่พึ่งอันเก่าเป็นที่พึ่งชั่วคราวเป็นที่พึ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเวลาเขาเสื่อมไปหมดไปแต่ที่พึ่งอันใหม่นี้เป็นที่พึ่งที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดจึงไม่ให้ความทุกข์กับเรามีแต่ให้ความสุขกับเราไปเพียงอย่างเดียวจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลาย จงเพียรพยายามสร้างที่พึ่งอันใหม่นี้กันเถิดมันไม่สุดวิสัยความสามารถของพวกเราโดยเฉพาะตอนนี้เรามีผู้ชี้นามีผู้บอกมีผู้สอนคือมีพระพุทธเจ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีการที่จะนำความสุขและการดับทุกข์มาให้แก่พวกเรา ถ้าเรามีความภาคเพียงพยายามสู้ไม่ถอยไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็จะได้ประสบความสำเร็จจากการปฏิบัตินี้อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวเรวะหาปุราปะริปุเรนติสาการัง เอวะเมวะอิโตชินางเปตานังอุปการปฏิยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตสัพเพโปรเณตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพิตโยวิวะจัน a ตสัพพารโขวินัสตุ มาเตภวตวรนตราโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาทานสีลิสานิจังุทธาปจายโนจัตโรธรมมวาทานติอายุวนโนโสุขังภาลองต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะรู้ธรรมะด้านใดด้านหนึ่งก็ข อ, อเปิดโอกาสให้ได้ถามในช่วงนี้เลยแล้วขออนุญาตว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ถามต่อปัญหากันอีกจะจะถามก็เอาแต่ช่วงนี้ไม่ต้องอายปัญหาก็เหมือนเหมือนกันก่อนเราก่อนมาก็มีปัญหาแบบเดียวกัน ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พิธีกรถามคำถามที่ฝากมาทางบ้านคำถามจากทางบ้านจากคุณจินนี่เบบี้เลิฟเวลาเราฝืนความอยากใจมันดิดดิ้นร้อนรนทนไม่ได้หากเรากั้นใจฝืนแล้วความอยากมันจะหมดไปได้จริงหรือต้องฝึกฝืนมันบ่อยๆแล้วกิเลสมันจะหายดื้อดึงเองอย่างนี้หรือไม่ครับ ก็ต้องเห็นโทษของความอยากว่าเป็นเหมือนกับไฟที่จะเผาใจเราทุกครั้งที่เกิดความอยากนี่ใจเราจะร้อนรนทุรนทุรายกระเสือกกระสนอยู่ไม่เป็นสุขต้องเห็นตัวนี้เห็นอริยสัจคือเห็นทุกขสมุทัยสัจตันหาความอยากเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายใจแล้วก็ต้องเห็นเห็นด้วยมรคมรคก็คือสติปัญญา ที่เห็นว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้นําไปสู่ความสุขความอิ่มความพอเพราะสิ่งที่หาได้มามันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันหมดไปไม่ได้เป็นของเราไปตลอดวันดีคืนดีกลายเป็นของคนอื่นไปก็ได้ให้มองให้เห็นใจรักแล้วก็ต้องเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ แล้วก็ต้องมีใจที่เป็นกลางคืออุเบกขาถึงจะสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ถ้าใจไม่เป็นกลางไม่มีอุเบกขานี่มันจะร้อนเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวดัง <c oughs> ั้นการที่เราจะดับความทุกข์ได้นี้เราจะต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาถ้ามีปัญญาอย่างเดียวนี่เรียกก็จะเป็นสูตรตามายาปัญญาหรือจินตามายาปัญญา คือปัญญาที่ได้ยินได้ฟังหรือปัญญาที่เกิดจากความคิดของเราแต่คิดบนใจที่ฟุง้งซ่านคิดบนใจที่ไม่สงบคิดบนใจที่ไม่เป็นกลางถ้าความคิดแบบนี้จะสู้จะตัดกิเลสตัดปัญหาไม่ได้ถึงแม้จะเห็นว่าเป็นตายรักแต่มันมันไม่ตายรักจริงมันตายรักเพียงแต่ความคิดแต่ใจมันยังอยากได้อยู่ มันต้องมีสมาธิมีใจที่สงบเป็นกลางอันนั้นแหละมันจะสามารถที่จะทำให้ <c oughs> ทำตามที่เห็นได้คือปล่อยวางได้คำถามจากคุณพัทรลพล ตอนนี้ผมเป็นคร า, าวาด์ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงมีน้อยใช้น้อยตามอัตภาพหมั่นฟังเทศและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่เป็นประจำดำเนินหลักธรรมคำสอนศีล ส, สมาธิปัญญาตามแนวทางอริยมรรคโดยถือหลักธรรมเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าและมีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่า เราจะขอไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหรือขอให้ได้พระอนาคามีผลเป็นอย่างน้อยโด ย, โดยมีบาทฐานจากศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาและเมื่อถึงพร้อมด้วยเหตุและปัจจัยที่เหมาะสมผมคงจะหมดภาระทางโลกคือหน้าที่การงานและมุ่งสู่เจริญทางธรรม ในบ้านปลายของชีวิตต่อไปขอพระอาจารย์โปรดแนะนำเพิ่มเติมกับแนวทางปฏิบัติของผมด้วยครับก็ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การสร้างธรรมต่างๆขึ้นมาถ้าเรายังไม่ได้สร้างทรรมถึงแม้ว่าเรารู้ธรรมเหล่านี้แต่มันเป็นธรรมที่อยู่ข้างนอกใจยังไม่ได้เป็นธรรมที่อยู่ในใจของเรา เราเป็นธรรมที่เราได้ยินได้ฟังจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่มันยังไม่ได้เป็นธรรมที่ที่จะมากาจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราเราต้องน้อมเอาธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัตินี่เข้ามาด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นจะได้ผล มากผลน้อยผลช้าผลเร็วก็อยู่การปฏิบัติปฏิบัติมากแล้วต้องปฏิบัติด้วยที่ถูกขั้นตอนด้วยถ้าปฏิบัติไม่ถูกขั้นตอนก็อาจจะไม่ได้ผลก็ได้ดังนั้นขั้นตอนที่สอนก็อย่างที่บอกขั้นตอนแรกก็รักษาศีลแปดให้ได้แล้วก็ไปเปีกวิเวกแล้วก็หมั่นจเจริญสติเพื่อจะได้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ แล้วก็ฝึกทําใจให้สงบจนชํานาญสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาแล้วค่อยออกไปทางปัญญาต่อไปพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณ า, าอสุภะพิจารณาอาหาเลยปฏิกูลสัญญา <c oughs> ถ้าทําตามขั้นตอนแบบนี้แล้วรับรองได้ว่าผลมันก็จะ <c oughs> เกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเหมือนกับตอนที่เราเรียนหนังสือนี่ขั้นตอนแรกก็จะสอนให้เราท่องกอไก่ขอขายก่อน เขาจะไม่ได้ให้มาเราเขียนนิยายกันตั้งแต่วันแรกที่เข้าโรงเรียนหนูหน่ห น, นี้หนูแต่งบทก่อนให้คุณครูหน่อยนะหนูจะแต่งยังไงหนูยังไม่รู้เลยกไก่ขอไข่ขไขว่าเป็นยังไงพวกปฏิบตัติพอเริ่มปฏิบัติก็จะออกทางปัญญาเลยก็ก็แบบเดียวกันปัญญาจริงๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรปัญญาที่รู้มไม่ได้เป็นปัญญามันเป็นความจามันจาได้มาจากพระพุทธเจ้าจาได้าจากการอ่าน ปัญญาแบบนี้มันไม่มีความสามารถนอกจากว่าใจของเรานี้มีสมาธิอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นปัญญานั้นก็จะมาเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสได้อย่างสมัยที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมข้างแรกนี้ทรงมุ่งไปสแสดงต่อคนที่มีสมาธิแล้วพระปัญจวัคคีย์นี่ได้สมาธิกันแล้วนักบวชตามสำนักต่างๆมีสมาธิกันแล้ว พอแสดงปัญญาปั๊บเนี่ยเขาเข้าใจทันทีเอามาใช้ดับตันหาความอยากได้แต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธินี่แสดงว่า <c oughs> ปัญญายังไม่เข้ามาข้างในใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังยังอยู่ข้างนอกอยู่เป็นสัญญาความจําแล้วถ้าดีไม่ดีเดี๋ยวก็ลืมไปฟังปั๊บแล้วเดี๋ยวก็ลืมไปจะไม่สามารถที่จะนํามา อ, อ ทำให้จิตบรรลุได้ทำให้ตัดความอยากต่างๆได้ดับความทุกข์ต่างๆได้เองต้องทำตามขั้นตอนนั้นถ้ายังไม่มีสติยังไม่มีศีลก็ต้องรักษาศีลให้ได้รักษาศีลได้แล้วก็ไปเจริญไปปิดวิเวกไปเจริญสติถ้ามีสติเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมได้ถ้าจิตยังรวมไม่ได้ก็แสดงว่าสติยังไม่พอ ก็ต้องมันจเจริญสติให้มากขึ้นอย่าเพิ่งออกทางปัญญาถ้าคิดทางปัญญามันใจจะไม่เป็นหนึ่งมันจะเป็นสองเป็นสามไปกับเรื่องที่เราคิดปรุงแต่งมันไม่เป็นปัญญามันจะเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งเลี้ยงต้งให้มันอยู่กับเรื่องเดียวพุทโธพุทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ใจสักแต่ว่ารู้อย่าให้ใจคิดปรุงแต่ง ถ้ามันสักแต่ว่ารู้อยู่กับเรื่องเดียวเวลามานั่งสมาธิมันก็จะรู้อยู่กับพุโทโธรู้อยู่กับลมหายใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ตัวรู้ที่แท้จริงต่อไปอันนี้เป็นขั้นของสติสมาธิต้องทาให้ชนานาญถ้าชำนาญแล้วเข้าออกสมาธิได้ตามที่ต้องการอยู่ในสมาธิได้นานตามที่ต้องการอันนี้ก็ค่อยมาทางปัญญาต่อไป แต่พิจารณาทางปัญญาเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ก็จะตัดได้เห็นว่าเป็นอสุภะก็จะตัดได้เห็นว่าเป็นเนอาหาเลยปฏิกูลแสัญญาก็จะตัดได้เพการปฏิบัติมันมีขั้นมีตอนเหมือนกับการเรียนหนังสือขั้นตอนแรกของการเรียนหนังสือก็ต้องท่องกอไก่ขอไข่หรือ a b c ไปก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาสะกดกอสะระอะกอสะระอ า, อะะอาแล้วก็ค่อยมาเรียนความหมายของ คำแต่ละคำที่เราเขียนขึ้นมากกรไก่ไก่แปลว่าอะไรไข่แปลว่าอะไรให้รู้ความหมายของของตัวหนังสือที่เราเขียนพอเรามีความรู้ความหมายแล้วทีนี้เราก็มาเขียนนิยายได้แล้วเขียนกรอนได้แล้วเขียนจดหมายได้แล้ว่มันต้องเป็นขั้นเป็นตอนมันข้ามขั้นไม่ได้ถ้าข้ามขั้นแล้วมันก็ล้มเหลวไปไม่ถึงไหน คำถามจากคุณบัวดิฉันนั่งสมาธินั่งแล้วไม่มีกำลังหูก็ได้ยินรู้ว่าใจเบาสบายแต่ไม่มีเลี่ยวแรงเคยยืนก็เป็นค่ะหายใจเข้าแบบสบายๆอ้าวก้าวขาไม่ออกแล้วเพื่อเรียกก็ได้ยินแต่ก็ขยับตัวไม่ได้ความรู้สึกในช่วงนั้นมันมีความเบาสบายใจสุกอิ่มสุกค่ะความรู้สึกสุขอิ่มสุ ดิฉันชอบที่จะนั่งสมาธิต่อมาทําไมต้องมีน้ําตาไหลเหมือนร้องไห้นานน้ําตามันไหลพรากๆไม่รู้เพราะอะไรต่อมาความรู้สึกของดิฉันเหมือนอดนอนมาหลายวันเหมือนอยากนอนเอามากๆอาการอย่างนั้นต้องนั่งสมาธินั่งได้นานค่ะนั่งสมาธิอยู่นั้นหูก็ได้ยินค่ะนั่งตัวตรงสบายใจ ออกจากสมาธิก็เหมือนตนเองนอนอิ่มดิฉันไม่เข้าใจค่าทำไมจึงเกิดอาการเช่นนี้เกิดจากอะไรคะออไม่ต้องไปสนใจหรอกให้สนใจอยู่ที่ความสงบเพียงอย่างเดียวก็พอมันจะเป็นอะไรถ้าเราทําใจให้สงบได้ก็ใช้ได้ถ้าจำให้ถ้ายังทําให้สงบไม่ได้ก็แสดงว่าอย่างใช้ไม่ได้ยิ่งไปคิดว่ามันเป็นอะไรมายิ่งทาให้ไม่สงบใหญ่ ให้คิดว่ามันเป็นใจรักพอแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นอนัตตาเราไปอ่าไปห้ามไปสั่งมันไม่ได้มันจะมาก็มามันจะไปก็ไปไม่จําเป็นจะต้องไปรู้ว่ามันมาจากไหนใครเป็นคนทําให้มันเกิดขึ้นไม่เกิดประโยชน์กับใจของเราคําถามจากคุณภาสกรผมอาศัยการภาวนาและพิจารณากายกะคตาสติตามแนวทางสายหลวงปู่มัน่น การปฏิบัติอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็พอให้ได้ความสงบร่มเย็นผมพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังในเวลาปกติทั่วๆไปผมกำหนดสติให้ ล, ลึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเราเป็นของไม่สะอาดเต็มไปด้วยของเสียถึงจะสวยเพียงไรก็คงเต็มไปด้วยของโสโปกแต่จู่ๆเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่ผมกำลัง ครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนกับฝันไปว่าผมปวดท้องอืดจะลุกไปห้องน้ํขนาขณะนั้นได้มีภาพนิมิตแทรกผุดขึ้นมาเป็นภาพของก้นที่กําลังปล่อยอืดออกมาผมดูอยู่อืดใจเดียวภาพนิมิตนั้นก็หายไปถามว่าภาพนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่เกิดจากผลของการปฏิบตัติที่ผมอาศัยการพิจารณากายคตาสติ และการกําหนดรู้ว่าร่างกายของคนทุกคนต่างแบกหามของโสกโปกเพื่อไปถ่ายของเสียกันในห้องน้ำใช่ไหมครับคือไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นผลจากอะไรขอให้เอามาใช้มอนเวลาที่เกิดเกิดการมารมขึ้นมาให้นึกถึงคนที่เราอยากจะร่วมหลับนอนด้วยให้นึกถึงเออที่เขากาลังออกมาจากถวาวรของเขาดูเราต้องการแค่นั้นคือต้องการดับการมารม ไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นผลที่เกิดจากอะไรและแนวทางที่ผมปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมครับก็ยังทำการบ้านอยู่ยังต้องเอาไปใช้กับเวลาที่เกิดการอารมณ์เวลาอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนนี้ก็ให้คิดถึงภาพที่เห็นในสมาธินั้นคำถามจากคุณดารุณีก่อนปีใหม่มีพระธุดงเดินผ่านบ้านมารับบาดสองรูปรูปแรกหนูใส่บาเศเสร็จ ท่านก็พูดว่าจีวรท่านขาดนี่ปะไว้เดี๋ยวจะไปหาซื้อจีวรใหม่ที่ตลาดและอีกไม่กี่วันก็มีพระธุดงอีกรูปเดินมารับบาตรหนูใส่บาตรเสร็จท่านก็พูดว่าอยากบอกบุญอากาศเริ่มเย็นอยากได้ผ้าห่มสักผืนหนูตอบไปว่าผ้าห่มที่มีอยู่มีแต่ที่ใช้แล้วสิคะท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่ามันคงไม่เหมาะ พอได้ยินภิกษุสองรูปท่านพูดในใจหนูก็อยากถวายเงินให้ท่านไปซื้อแต่ก็คิดว่าบาตรพระมีไว้ใส่อาหารที่พร้อมฉันไม่ควรใส่เงินและผ้าสายวัดป่าท่านจะไม่จับเงินเลยเลยไม่ได้ถวายเพราะกลัวทำให้ท่านอาบัติและเป็นบาปและอีกใจก็กลัวพระปลอมด้วยค่ะการกระทาและความคิดของหนูผิดหรือเปล่าคะ และต่อไปหนูเจอเหตุการณ์เช่นนี้อีกหนูควรวางจิตและควรปฏิบัติตนอย่างไรในการทาตนให้ถูกต้องต่อพิสูจนที่มาบอกบุญคะคือตามหลักพระวินัยนี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระไม่ให้ขอจากคนที่เขาไม่ได้ปภาวนาหรือคนที่ไม่เป็นญาติถ้าคนใส่บาทนี้พระไม่รู้จกักไม่เคยปภาวนาตัวไม่ได้เป็นญาติถ้าไปขอนี่ก็ถือว่าผิด หลักพระวินัยแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นพระแท้พระจริงนี่ท่านจะไม่ขออะไรจากใครท่านยอมทนกับความทุกข์ยากลำบากแล้วเดียวญาติโยมก็เห็นเองเห็นเองแล้วเดียวก็ทนไม่ไหวต้องหาซื้อของมาเปลี่ยนให้ท่านเองไม่ต้องกังวลเวลาพระขออะไรเราถ้าไม่ใช่เป็นญาติแล้วเราไม่เคยไปปรวาณาตัวเสนอไว้ก่อนก็ไม่ต้องไปสนใจก็สายบาทไปให้กับท่านก็พอแล้ว คำถามจากคุณปรารถนาขณะเดินจงกรมช่วงแรกจะมีสัญญาต่างๆปรากฏขึ้นมากำหนดพุโทโธจิตสงบแต่จะแต่จะเดินช้าอาการปวดหลังจะตามมาเลยไม่กำหนดพุโทโธแต่เดินเร็วขึ้นกว่าเดิมอยู่กับความว่างกายจะเบาไม่มีสัญญาใดๆปรากฏแต่เดินได้สักพักการเดินจะลื่นไหลเดินไม่หยุด เหมือนตัวจะลอยหยุดไม่ได้แล้วมีแต่ความว่างเปล่าเกิดอาการกลัวขึ้นมาเลยถอนจิตออกจากความว่างจึงยุติการเดินได้แต่จิตกลับไม่เบาไม่สงบเหมือนมีกังวลแล้วติดในจิตทั้งวันเลยค่ะถ้าเกิดอาการกังวลแบบนี้จะต้องแก้ไขยอย่างไรคะก็ต้องเจริญสติพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไร ความกังวลของเราเกิดจากความคิดปรุงแต่งพอขาดสติคอยควบคุมดังนั้นเราต้องเจริญสติต่อพุโทโธพุโทโธต่อไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมีแต่พุโทโธควบคุมใจไม่มีความคิดปรุงแต่งความกังวลต่างๆก็จะหายไปคํำถามจากคุณกสิพัฒนผมปฏิบัติตามคําสอนและถือศีลโภมาจันทร์มาสามปีกว่า ช่วงปีใหม่ผมไปปฏิบัติอยู่เขาเขียวมาสิบวันปัญหาคือจิตผมไม่เข้าฐานอย่างเดิมไม่เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเหมือนยังหาทางกลับไม่เจอเป็นมาเกือบปีแล้วครับส่วนปัญญาก็ใช้ได้เป็นปกติแต่ไม่คมไม่ขาดออกจากกันเหมือนช่วงปฏิบัติใหม่ๆบรบกวนพระอาจารย์ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยครับก็ต้องกลับมาสร้างสติเนี่ย สติที่จะเป็นตัวดึงใจให้เข้าสู่ฐานของความสงบได้เหมือนกับที่หลวงตาท่านก็เคยประสบท่านเคยมีสมาธิแล้วท่านก็ไปหยุดไม่ได้ไปภาวนาอยู่เดือนหนึ่งไปทำกรดช่วงนั้นใจท่านก็เลยคิดอยู่กับเรื่องการทำกรดไม่มีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งพอเวลาจะมานั่งสมาธิมันก็ไม่มีสติ ดึงใจให้กลับเข้าสู่ความสงบได้พอไม่สงบก็ยิ่งเกิดความอยากให้มันสงบมันก็ยิ่งยิ่งไม่สงบใหญ่มันก็ยิ่งเครียดใหญ่ตอนหลังท่านก็มาจับประเด็นได้ว่าต้องพุโทโธอย่างเดียวท่านก็เลยบริกรรมคาว่าพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวพอพุโทโธกับใจแนบสนิทคู่กันมันก็สงบได้ดังั้นเราต้องมีสติกำกับใจไม่ว่าจะเป็นพุโทโธหรือว่าจะเป็น การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ใช้ได้ทดแทนกันได้ใครใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไปผมขอปฏิบัติบูบชาคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนทางโลกผมก็ได้ติดตามฟังเทศพระอาจารย์ประจําตั้งใจจะรักษาสีที่สูงขึ้นแต่ยังเคลียร์ปัญหาไม่เรียบร้อยอยากฟังพระอาจารย์เทศสอนพระและทราบวินัยพระ จะหาฟังได้จากที่ไหนครับคงไม่มีบางพ่อเราไม่มีลูกศิษย์เป็นพระมีแต่ลูกศิษย์เป็นโยมไม่มีพระมาฟังทรมีแต่ญาติโยม <c oughs> ก็มันก็คล้ายๆกันน่ะเพราะที่เทศน์นี่ก็เทศน์ให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องพระวินยัยศีลของพระท่านนั้นเองซึ่งก็ไม่จำเป็นหรอกสำหรับผู้ปฏิบัติเขาให้มีศีลแปดนี่ก็พอเพียงต่อการ บำเพ็ญแล้วศีลของพระนี่ที่มากก็เพราะว่าที่จะรักษาความสวยงามของพระมากกว่าไม่ได้เป็นศีลศีลหลักศีลหลักของพระน้อยกว่าศีลของโยมให่ศีลของหลักของพระมีแค่สี่ข้อใะ้ตลาราชิกสี่ละเมิดไม่ได้ถ้าละเมิดแล้วก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีก็เป็นศีลห้าของญาติโยมนี่แหละข้อที่หนึ่งก็ไม่ให้ฆ่ามนุษย์ข้อที่สองก็ไม่ให เศษเมถุนคือไม่ร่วมดับนอนกับใครข้อที่สามก็ไม่ให้ลักทรัพย์ข้อที่สี่ก็ไม่ให้อวดอุดตลิความสามารถที่ไม่มีในตน อ, อวดว่าตนเองมารลุขั้นนู้นขั้นนี้แล้วมีฌานระดับนั้นระดับนี้แล้วมีอภิญญาเห็นนูน่นเห็นนี่แล้วถ้าไม่มีในตนนะก็ถือว่าเป็นปาาชิกแต่ถ้ามีเป็นความจริงก็ไม่เป็น แต่ทีนี้ปัญหาก็คือใครจะมาพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริงอถ้าสมัยพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่จะพิสูจน์ได้ตัดสินได้เออพระรูปนี้พูดจริงไม่ได้โกหกแต่สมัยนี้เราไม่มีคนระดับพระพุทธเจ้าที่จะมาคอยตัดสินเรื่องพระวินยัยก็เลยทางที่ปลอดภัยก็คือถึงแม้ว่าจะบรรลุก็อย่าไปพูดดีกว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวหัวขาด คำถามจากคุณกอฟนร ล, ลวิทย์ข้อแรกการพิจารณาท่าสี่อาหารเร ป, ปฏิกูลสัญญาอาการสาสสองอสุภะกรรมฐานกราบขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยชีย้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของท่าสอาหารเรปติกูลสัญญาอาการสาสสองและอสุภะกรรมฐานว่ามีเกี่ยวเนื่องอย่างไร และควรคิดพิจารณาแค่จุดไหนครับก็วันนี้ก็ได้เทศไปแล้วส่วนหนึ่งอาหารในปฏิกรลสัญญากาสุภาพเพื่อกําจัดตันหาความอยากจะเสพกามหรือความอยากจะรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตส่วนความสัมพันธ์ระหว่างธาตุสี่มันกับอาการสามสิบสองก็คืออาการสามิบสองมันก็ทํามาจากธาตุสี่นั่นเองทํามาจากอาหารจากน้ําที่เราดื่มจากอากาศที่เราหายใจเข้าไป นี่เรียกวธาตุาสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อเข้ามาสู่ร่างกายแล้วมันก็มาแปลงสภาพให้กลายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็ดเป็นฟันไปแล้วเวลาตายไปมันก็คืนกลับสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปข้อสองผมจะไปพิธีล้างป่าช้าไม่ได้สะดวกใจที่จะไปมากนักแต่ว่าอยากไปดูโครงกระดูไปดูศพที่ขุด ไปไปสร้างอสุภาสสัญญาไม่ทราบว่าควรปฏิบัติเช่นไรหรือทำตัวอย่างไรดีและควรไปหรือไม่ครับก็ต้องดูกําลังของเราว่าเรามีกําลังที่จะไปดูหรือไม่เพราะบางคนนี่ไปดูแล้วเป็นลมก็มีดังนั้นก็ต้องถามตัวเองว่าจิตเรามั่นคงพอไหมมีความนิ่งพอหรือเปล่าเนี่ยทถึงบอกว่าการจะพิจารณาของจริงต้องมีสมาธิก่อน ถ้าจิตมีความเนิ่งแล้วมันมั น, ม, นมันดูได้มันเห็นได้ทุกอย่างถ้าจิตยังมีอารมณ์อยู่นี่เดี๋ยวพอไปเห็นภาพที่น่ากลัวลรืมไม่น่าดูก็อาจจะเกิดอารมณ์หดหู่หรือเกิดความรู้สึกจะเป็นลมขึ้นมาได้แม้แต่พระที่บวดใหม่นี่ทุกปีทางวัดจะพาไปดูการผ่าศพที่โรงพยาบาลมองคนดูแล้วก็เป็นลม คำถามจากคุณอัฐกรขอแนวทางเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติเมื่ออยู่คนเดียวอยากปฏิบัติแต่เกิดความท้อแท้เหนื่อยล้าและเวลาอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยจะสามารถยึดหลักให้กายและจิตมั่นคงได้อย่างไรครับก็พุโทโธไปอย่างเดียวถ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องยุ่งกับใครก็พุโทโธพุโทโธไปเลยให้มีพุโทโธคู่อยู่กับใจไปตลอด แล้วเดี๋ยวก็จะนั่งสมาธิได้จะสงบได้แล้วพอสงบแล้วก็จะพิจารณาทางปัญญาได้ปล่อยวางได้ตัดกิเลสได้ขอให้เราพุโทโธพุโทโธไปฝึกสติไปก่อนคําถามจากคุณสุขขุมถ้าสติเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิแล้วอะไรเป็นพื้นฐานให้เกิดสติครับก็การเรนเลือกรู้งให้เราเลือกรู้อยู่เรื่อยๆรู้อยู่กับพุโทโธพุโทโธนี่ ก็จะเป็นการทำให้เกิดสติขึ้นมาถ้าไม่ละเลิกรู้ใจมันก็จะไหลไปตามความคิดต่างๆมันก็จะไม่มีสติแต่ถ้าเราละเลิกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นพุทธโธหรือการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายเราก็จะมีที่ผูกใจตั้งใจทำให้ใจเกิดสติขึ้นมาพอใจมีสติแล้วก็จะสามารถดึงใจที่ไหลไปไหลามาให้เข้าไปสู่ความสงบได้ คำถามจากผู้ฝากถามคนที่นับถือศาสนาอื่นเขาจะอยู่ในโกรธแห่งกรรมเหมือนคนที่นับถือศาสนาพุทธไหมครับเหมือนกันนะเพราะว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาสากลก็เป็นเหมือนวิทยาศาสตร์คือไม่ได้เลือกว่าเป็นชนชาติใดชั้นใดวันนใดภาษาใดใจของทุกคนนี่มีปัญหาเหมือนกันหมดมีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากเหมือนกันหมด และเครื่องมายเครื่องมือที่จะดับปัญหาเหล่านี้ก็คือธรรมะที่พู้เจ้าได้ทรงค้นพบยันสามารถใช้ได้กับทุกคนทุกชาติทุกวัยทุกเพศคำถามจากผู้ฝากถามสติกับสมาธิต่างกันอย่างไรคะสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้ามีสติแล้วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งได้ หลวงพ่อคะเวลาวันใดที่หลวงพ่อไม่ได้ลงศาลาคะ่ะถ้าถ้าทราบอะคะ่ะหนูก็จะไม่อยากมาทำ บ, บุญในตอนเช้าถือว่ายึด ต, ติดในครูบาอาจารย์และยึดยึดถือว่ายึดติดเกิดยึดยึดติดเกินไปหรือเปล่าคะอันนี้นี่ยว่ายึดติดกับบุคคลเรควรจะยึดติดกับทานที่เราทำามาเถิดมาทำไปเถิด อย่ามาทาเพราะอยากจะเห็นหน้าเราเลยอันนี้มันเป็นกิเลสทำทานเพื่อปล่อยวางเพื่อสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่ก็เป็นธรรมดาของคนที่ยังมีความรักความชอบอยู่เวลาเห็นคนที่ไม่ชอบก็ไม่อยากจะทาบุญด้วยเพราะไม่มีศรัทธาแต่ก็เอาน่ยเป็นการสอบ เป็นข้อสอบของเราว่าเราสามารถที่จะทํากับทุกคนได้หรือเปล่าสัตเพสสัตตาได้หรือเปล่าความเมตตานี้ต้องมีกับสรรพสัตว์ทั้งหลายอยากจะเลือกแต่คนนั in ้นคนนี้หมดแล้วก็เดือนหนึ่งมีอยู่สองวันไปดูที่ปฏิทินที่นี่ที่ติดไว้แขวนไว้ที่หน้าต่างจะมีเขียนปอปลาอยู่กราบนมัสการครับขอ คำแนะนำเรื่องปัญญาอบรมสมาธิปัญญาขอมาครับอ๋อก็อย่างที่บอกอรัเช่นเวลาเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธแล้วมันไม่อยู่มันมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไม่สามารถที่จะอยู่กับพุโทโธได้ก็ลองใช้การวิเคราะห์ดูกับเรื่องที่กำลังเป็นปัญหากับเราเช่นทะเลาะกับแฟนมาไม่รู้ว่าแฟนจะอยู่หรือจะอย่าก็พิจารณาไปว่า เราไปบังคับเขาได้หรือเปล่าเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เหรอเราไปสั่งให้เขาอยู่กับเราได้ไหมถ้าเขาไม่อยากจะอยู่กับเราพอเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็สงบได้ยอมรับนะเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะอยากก็อยากได้ทั้งนั้นอันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิหมดแล้วเหรอมีงไหม